เจอพวกดื้อมากๆนะเจ้าความคิดเจ้าความเห็นอะไรเงี้ยกับพวกติดเพลงสองพวกเนี้รับอะไรใหม่ๆยากพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเอาแต่คิดนะ่ะไม่ฟังคนอื่นนะไม่ดูว่าการปฏิบัติจริงๆเขาทำยังไงคิดลูกเดียวเลยคิดมันก็วนเวียนอยู่กับเรื่องเก่า คนเราไอ้คิดแบบกรอบของตัวเองอะยากติดอยู่ในโลกของความคิดเก่าๆแนละ้ววนไปวนมาสงสัยไปทุกเรื่องมันไม่ยากอะไรเลยนะแค่ว่าสงสัยแล้วรู้ทันว่าจิตกำลังสงสัยอยู่แค่นี้มันก็เห็นความเกิดดับได้ละเพราะความสงสัยมีเหตุความสงสัยก็เกิดความสงสัยหมดเหตุความสงสัยก็ดับมันก็เห็นความเกิดดับนะง่ายๆแค่นิ่งมัวแต่คิดนละ้ไม่ยอมดู พี่เลี้ยงบอกให้ดูเท่าไร่ก็ไม่ดูคิดอย่างเดียวพวกนี้ไม่มีทางเจริญก้าวหน้าในทางปฏิบัติหรอกเพราะไม่ได้ปฏิบัติเอาแต่คิดอีกพวกหนึ่งเพล่งลูกเดียวเลยติดแต่สมถะนะครๆมีแต่ความเชื่อว่าจะเจริญปัญญาได้ต้องเข้าฌานให้ได้ก่อนเข้าฌานก็ไม่เป็นเองนะไปเพ่งจิตให้ทื่อๆอยูอ่จิตแข็งๆจิตทื่อๆไม่ใช่จิตที่เข้าฌาน จิต ท, ที่เข้าฌานนะั้นมีความสุขมีความสบายนุ่มนวลอบอุ่นนะคล่องแคล่วเบานะไม่ใช่หนักแน่นแข็งซึมทื่อเราบอกว่าเนี่ยทำสมาธิอยูนะ่ต้องทำสมาธิก่อนถึงจะเกิดปัญญาสมาธิอย่างนั้นไม่ทำให้เกิดปัญญาสมาธิอย่างนั้นขวางการเจริญปัญญาเพราะอะไรเพราะว่ามันไปติดนิ่งติดเฉยนะรู้สึกกายรู้สึกใจจริงนะรู้สึกแต่ว่ารู้สึกแบบนิ่งๆิ่งกดเอาไว ไม่สามารถปล่อยให้กายให้ใจมันทำงานแล้วมีสติตามรู้ได้แต่พวกนี้ก็ดีกว่าพวกคิดมากพวกคิดมากเนี่ยโอกาสไปอบายสูงนะคิดฟุ้งไปด้วยเพราะว่ามันจะสุดต่งไปข้างตามกิเลสไปเรื่อยคิดไปส่วนในพวกที่นั่งเพ่งเนี่ยนะสุดตรงมาข้างบังคับตัวเองนักปฏิบัติจำนวนมากเลยนะที่ทำได้แค่การบังคับตัวเอง ไม่สามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้เพราะเป็นบังคับร่างกายก็นิ่งจิตใจก็นิ่งนิ่งไปหมดนะงั้นถ้าเราไม่ไปสุดตรงสองฝั่งนี้นะการเรียนธรรมะก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนี่วันนี้วันสุดท้ายที่มาเข้าคอร์สนะหลวงพ่อจะสรุปวิธีปฏิบัติให้พวกเราที่เราจะเอาไปทำจริงๆในชีวิตจริงๆของเรานะถ้าเรา รับฟังสิ่งที่หลวงพ่อบอกวันนี้แล้วเอาไปทํานะโอกาสที่เราจะได้มรรคผลในชีวิตนี้นะมันก็มีทางเป็นไปได้นะขั้นต้นๆโสนาสกทาคาอะไรเนี่ยคารวะก็ไม่ยากอะไรนะทำได้ไม่ต่างกับพระหรอกขั้นสูงขึ้นไปนะขั้นพระนาคาขั้นสุดท้ายอะไรเนี่ยคารวสทํายากเพศของคารวสไม่เหมาะกับการปฏิบัติธรรมในชั้นละเอียด เพราะคารวาสเนี่ยหมกมุ่นอยู่ในกามคือความไม่ใช่เป็นเรื่องเซ็ก์อย่างเดียวนะมันเป็นการหาความสนุกเพลิดเพลินไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเนเวลาใจาคิดก็ไปคิดถึงเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสี่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นไก่นะหรือก็คิดแต่เรื่องที่ไปสัมผัสมาทางตาหูจมูกลิ้นไกอีกแหลนะถ้าอย่างนั้นนะมันก็ จะข้ามกามยากเป็นผ้านาคายากมันคล้ายๆจิตใจเราพระพุทธเจ้าท่านเปรียบว่าจิตใจแบบนั้นนะหมกอยู่ในกามเนะี่ยมันก็คล้ายๆต้นไม้นะต้นไม้สดๆเนะี่ยเอาไปแช่น้ำนะเอาขึ้นจากน้ำมาจะมาจุดไฟเนะี่ยจุดย่างนะจิตที่หมกอยู่ในกามนะมันจิตที่เปียกชุ่มอยู่ด้วยกามเนะี่ย เอามาใช้ประโยชน์ติดไฟไม่ติดไม่ติดหรอกนะจิตที่เหมือนไม้แห้งอย่างพวกพระนี่เหมือนไม้แห้งแห้งจริงๆนะอยากกินก็ไม่ได้กินอยากนอนก็ไม่ได้นอนนะมีของไม่สมอยากนี่เต้มไปหมดเลยนะ้ความสุขความสบายทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอะไรเนี่ยไม่ค่อยจะมีนะ อย่างอยากเห็นคนนี้ก็เห็นอีกคนหนึ่งโยมมาบางคนนี่ไม่อยากให้มาเลยนะถ้าไม่มาได้พระจะมีความสุขอย่างเงี้ยก็มาบ่อยนะบางคนนะพระคิดถึงพระอยากเจอไม่มาเลยนะรูปที่อยากเห็นก็ไม่เห็นนะอาหารบางองคนะ์บางช่วงบางเวลามีของไม่ถูกปากของไม่ถูกปากคือไม่มีอะไรเข้าปากเลยนะอย่างพวกเราก็มีของถูกปาก อย่าว่าแต่ถูกใจเลยแค่ถูกปากยังไม่มีเลยบางทีเนี่ยชีวิตแบบพระนะมันห่างออกจากกรรมมันไม่มีเมื่อมันไม่มีมันก็จะเริ่มเวลากิตเกิดราคะเกิดความต้องการในเห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นได้รส อ, อะไรเพิ่มนเตนิมสิ่งที่ตามมาทันทีคือความทุกข์ทันทีเลยมันไม่มีอย่าที่หลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังก็นมีพระองค์หนึ่งนะที่ท่านเป็นลูกเศรษฐี ท่านมาบวชพ่อแม่มีเงินตั้งร้อยล้านอะไรเงี้ยมาบวชนะอยากฉันข้าวเหนียวถั่วดำอะนะอยากฉันนานเป็นปีเลยไม่เคยได้ฉันเลยนะแล้ ว, วันนึงไปบินธบาตเห็นคนเขาใส่ข้าวเหนียวถั่วดํามีทั้งหลายถุงนะดีใจเดินเดินมาถึงตัวเองน้ำหมดเลยไม่มีนะใจก็เศร้าหมองมากเลยนะเนี่ยแค่ข้าวเหนียวถั่วดําถุงเดียวอะ เวลาจิตต้องการขึ้นมานะ น, นี่ก็คือกามอย่างหนึ่งแหละต้องการในรถอีกวันหนึ่งไปบินธบาตได้นะได้มาดีใจมากเลยแต่ลักษณะพระกรรมฐานเนี่ยเวลาได้อาหารมาท่านมาเทรวมกันเนี่ยแล้วก็หยิบเป็นตามลำดับองค์ที่อยู่ข้างหน้าท่านนยหยิบออกไปต่อหน้าต่อตาท่านอุตส่าห์ไปบินธบาตมาได้เองนะ แล้วโอืน่นมาหยิบต่อหน้าต่อตาเลยเกือบจะถึงแล้วอีกนิดนั่งนั่งรุนรุนรุนนะองตรงนี้เอาไปล้นะบอกคืนนั้นร้องไห้เลยสงสารตัวเองนเนี่ยไม่ใช่บวชแล้วเป็นเรื่องง่ายๆนะอถ้าเป็นบวชพระไม่ดีตกเย็นอยากกินข้าวเหนียวตัวดําก็ใช้ลูกศิษย์วาดไปซื้อมาอยากกินหอยทอดผัดไทยเลยมีหมดนะอย่างนั้นเรียกว่าไม่ได้ออกจากกรรม ฆราวาสเนะี่ยมันตามใจกิเลสตลอดเพราะฉะนั้นภาวนาในในขั้นสูงนะทำยากแต่ขั้นสดาสกัตถะคาเนี่ยไม่ยากอะไรนะถ้าขั้นจะขึ้นอนาคคาเนี่ยควรจะควรจะถือศีลแปดนะศีลห้าเนี่ยไม่ค่อยเหมาะละถ้าขั้นสวดาสกัตถะคานะี่ยเราเอาศีลห้าของเรานี้ยแหละพอไปได้สบายเลยนะแลพะ้พระทําไมพระบางองค์ก็ภาวนาไม่ได้เพราะท่านลืมถือศีลห้า ท่านถือศีลสองรดเลืมถือศีลไปห้าข้อแรกเท่านั้นแหละนะก็ภาวนาไม่ได้นะศีลด่างพลอยภาวนาไม่ขึ้นหรอกเพราะนเบื้องต้นเลยนะพวกเราต่อไปนี้แต่เดิมจะเหลวไหลยังไงก็ช่างเถอะต่อไปนี้นะตั้งใจรักษาศีลห้าไว้นะนึกถึงเว ล, ลาไหลายรอบนึกถึงศีลไวเ้เรื่อยๆนะสมัยพุทธกาลมีพระองค์หนึ่งนะท่านภาวนา รุ่นเดียวกันเนี่ยเขาเป็นพระอรหันต์เป็นพระนาคาอะไรกันไปหมดท่านไม่ได้อะไรเลยนะสุดท้ายเสียใจมากเลยนะวันหนึ่งเอามีดโกนมาปาดคอตัวเองกําลังจะตายท่านนึกขึ้นได้ว่าที่ว่าบวชแล้วไม่ได้อะไรเลยไม่จริงที่บวชมาตลอดเวลาเนี่ยตั้งใจรักษาศีลมาไม่เคยด่างพร้อยเลยพระพุทธเจ้าก็ว่าไม่ได้เลยนะ พะท่านคิดว่าท่านมีศีลอันงามมีศีลอันดีรักษามาอย่างดีนะจิตใจท่านมีความสุขมีความสงบทันทีนะได้สมาธิขึ้นมาเลยแล้วก็แยกรูปนามได้นะเห็นร่างกายมันจะตายเห็นเวทนาเกิดขึ้นท่านบรรลุพระอรหันต์ในขณะสุดท้ายที่ตายเลยนะอันนี้วงเล็บว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวห้ามเรียนแบบนะพวกเราปากก็ตายแงะๆเลยนะไม่เป็นพระอรหันต์ตกนรกซะอีก เงินเบื้องต้นนะตั้งใจรักษาศีล5้าไว้ให้สำคัญมากถ้าเรารักษาศีลห้าได้จิตใจเราจะมีความสุขมีความสงบคนไม่มีศีลจิตใจฟุ้งซ่านนี่ข้อที่1 น, นะไปรักษาศีล5ศีลขาดไม่เป็นไรขาดแล้วก็ตั้งใจรักษาเอาใหม่นะแต่อย่าเจ้าเลนะ่จงใจแกล้งให้ขาดอะไรเงี้ยแล้วกะเดี๋ยวไปต่อศีลนะไม่ดี ดีหรือไม่ดีอยู่ที่ใจของเราซื่อื่อต่อศีลต่อธรรมนะเดี๋ยวธรรมะมันก็มาสู่ใจเราใจเราไม่ซื่อต่อศีลต่อธรรมเจ้าเล่แสนคนธรรมะก็ไม่มาสู่ใจเราข้อที่สองนะข้อแรกตั้งใจรักษาศีลไว้ข้อที่สองเนี่ยต้องทําในรูปแบบถ้าเราไม่ปฏิบัติทําในรูปแบบเลยเราเจริญสติในชีวิตประจําวันรวดไปเลยเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานไม่นานเนี่ยหมดแรงนะ หมดแรงที่ว่าจเจริญสติในชีวิตประจําวันนะไม่มีสติจริงหรอกนะใจจะล่องล่อง ล, อ, งลอยๆกระจายกระจายไปนะใจไม่เข้าบ้านไม่เข้าฐานเพราะฉะันที่เราจะมาจะเจริญสติในชีวิตประจำวันรวดเทําไม่ได้จริงอนะเราต้องทําในรูปแบบด้วยทุกวันเราแบ่งเวลาไว้นะสัก15นาทีแล้วนะสักสิบห้านาทีก็กำลังสวยนะบางคน15นาทีไม่ได้นะหลวงพ่อก็บอกว่า10นาทีนะต่อนะเนี่ย ต่อรองนะขอให้ทําเถอะเวลาทําในรูปแบบทําอะไรบ้างแรกไหว้พระสวดมนต์ก่อนนะคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงคุณของท่านนะคิดถึงความดีของท่านนะคิดถึงธรรมะที่ท่านสอนนะคิดถึงว่าออพระสงฆ์ก็มีนะแต่เดิมพระสงฆ์ก็เป็นคนอย่างพวกเรานี้มีกิเลสอย่างนี้แหละอาศัยธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วนะก็เท่าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้น มีจิตใจที่กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวด้วยความบริสุทธนะิ์เสมอกับพระพุทธเจ้าได้นะด้วยความบริสุทธิ์อันเดียวกันงั้นอย่างพวกเราเรายังมีกิเลสอยู่เนี่ยเราก็ต้องตามท่านไปได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าเราจะตามท่านไม่ได้ตัวอย่างผู้ที่ตามพระพุทธเจ้าไปก็มีคือพระสงฆ์ทั้งหลายท่านตามไปนะเราสวดมนต์ไหว้พระเราคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ พอเราคิดถึงอย่างนี้นะใจเรามีความสุขมีความสงบขึ้นมาอย่าไปสวดแบบเอาเย่ะมากๆนะต้องสวดเรื่องสามสิบบทสมมตินี้นะเวลาก็มีจํากัดสวดเป็นลิงเลย ย, ย, ย, ยเร่งนะใจก็ร้อนอยากให้จบเร็วๆเมื่ไหร่จะจบเมไหร่จะจบน้องสมาธิจบเร็วๆอ่างนีก็อย่างนะางี้ไม่ได้ผลอะไรเลยนะสว่วนไม่ต้องต้องเยอะนักหรอกนะ สวดเท่าที่เราสวดได้สวดอะไรไม่เป็นนะพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปก็ยังได้พุโทโธธรรมโมสังโฆนะสวดอะไรไม่ได้เอาแค่นี้ก็ยังดีสวดไปนะเราคิดถึงคุณของท่านไปใจเราสงบร่มเย็นเวลาจะกราบพระนะทำความรู้สึกขึ้นมาเหมือนเรากำลังกราบลงแทบเท้าของท่านเหมือนท่านนั่งอยู่ต่อหน้าเราหรือยืนอยู่ต่อหน้าเราเวลากราบนะทาใจว่าเรากราบอยู่แทบเท้าท่านเลย ทำใจอย่างนี้นะใจจะเกิดปีติเกิดความสุขนะจะได้สมาธิง่ายเลยอันนี้เป็นวิธีการไหว้พระสวนมนต์แบบที่หลวงพ่อบอกเนี่ยมันเป็นวิธีที่จะทําสมาธิอย่างง่ายๆสําหรับคนเข้าชานไม่เป็นได้แค่นี้ก็ได้สมาธิต้นๆแลนะสมาธิพอให้ใจแช่มชืน่นนะคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงท่านกราบท่านหนนะไรเนีเหมือนเราอยู่ใกล้ๆท่านทําความรู้สึกเหมือนเราอยู่ใกล้ท่าน ใจก็มีปีติมีความอบูนเบิกบานในความเป็นจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ไกลเรานะไม่ได้อยู่ไกลเลยถ้าจิตของเรานึกถึงท่านนะนอบน้อมต่อท่านเนี่ยจิตเราจะสัมผัสกับท่านได้แต่ท่านไม่ได้อยู่เป็นองค์องค์อย่างที่เราเห็นอย่างนี้นะเวลาที่บรลุพระอรหันต์เนี่ยจิตกับธรรมะนั้นกลืนเปน็นอันเดียวกันนะธรรมะนั้นเต็มโล ก, กาธาตุเลยไม่ได้หายไปไหนะ เวลาท่านนิพพานเะนี่ยขันท่านแตกท่านดับไปนะธรรมธาตนะุอันนี้ก็ยังคลองโลกเต็มโลกโยนตั้งนะแต่พระพุทธเจ้าองค์แรกนะถ้าเรามีใจที่เข้าถึงเราก็เหมือนสัมผัสท่านใดนะแต่ไม่ใช่ตัวท่านนะก็ตัวท่านจริงๆท่านนิพพานะพลังงานที่ท่านมีทิ้งไว้ให้เรานี่เยอะแยะไปนะงั้นถ้าเราเระลึกถึงด้วยความอ่อนน้อมนะทใจเหมือนเราอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าแล้วล่ะ จะพูดจะทําจะคิดอะไรที่ไม่ดีก็ละอายใจว่าเราอยู่ต่อหน้าพราะพุทธเจ้าแล้วละ่ะศีลเราก็เกิดขึ้นง่ายนะคนทูศีลคิดว่าไม่มีใครเห็นอะไรเงี้ยถ้าคิดว่าเออพระเห็นนะเทวดาเห็นไม่กล้าทําไหวพราส่วนบนเสร็จแล้วทําอะไรต่อนะพอใจเราสบายร่มเย็นเป็นสุขแล้วนะก็ทํากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งนะตามที่เราถนัดคนไหนถนัดพุทธโธก็พุทธโธ คนไหนถนัดรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจคนไหนจะดูท้องพองยุกก็ดูไปคนไหนจะนั่งพัดก็พัดไปนะแต่ว่าถ้าจิตใจมันฟุ้งซ่านนะก็ทําใจให้สบายทํากรรมฐานไปแล้วทําใจสบายสบายอย่าไปอยากสงบถ้าเราทําใจสบายเราหายใจไปด้วยใจที่สบายนะั้นไม่นานเราก็สงบสิ่งที่เราจะได้คือสมถะสมถะกรรมฐาน หรือเราดูท้องพองยุบไปดูไปอย่างสบายอย่าไปดูแบบเครียดเครียดส่วนใหญ่เกือบร้อยละร้อยดูแบบเคร่งเครียดนั่นมันจะไม่ได้อะไรมันได้แต่ความทุกข์ทรมานนั่นเป็นอัตตะกิลมฐานุโยกดูไปอย่างสบายใจเห็นท้องมันพองเห็นท้องมันยุบนะใจจะสงบในี่ใจไม่สงบเพรเรื่องของใจนะเราถือว่าเราปฏิบัติเนี่ยเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าต่อจากการสวมดมนต์ของเรานะหายใจไปนะ จะพุโทโธไปด้วยก็ได้ไม่พุโทโธก็ได้แล้วแต่สะดวกแล้วแต่ทถนัน้นทํากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งนะให้จิตน้อมอยู่กับทํากรรมฐานนั้นนั้นไม่หนีไปที่อื่นมีความสุขอยู่กับกรรมฐานนั้นนั้นสิ่งที่ได้คือได้ความสงบเกิดขึ้นนะแต่ถ้าวันไหนเราสวดมนต์เสร็จนะจิตเราก็สงบอยู่แล้วนะเราก็จะข้ามตรงนี้เราก็ทํากรรมฐานเหมือนเดิมแต่ไม่ใช่ทําเพื่อน้อมจิตให้สบายมีความสุขอยู่ในกรรมฐานนั้นนั้นนะ ถ้าวันไหนจิตเราสงบอยู่แล้วไม่ต้องไปติดอยู่ในความสุขนั้นนะเราก็คอยรู้ทันจิตนะเช่นหายใจไปจิตเคลื่อนไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตไหลไปอยู่ที่ท well. ้องรู้ทันดูท้องพองยุบไปจิตหนีไปคิดรู้ทันดูท้องพองยุบไปจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องรู้ทันขยับมือไปจิตเคลื่อนไปคิดรู้ทันจิตเคลื่อนไปอยู่ที่มือรู้ทันรู้ทันจิตที่เคลื่อนบ่อยเราจะได้จิตที่ตั้งมั่นเป็นคนดูขึ้นมา หรือถ้ายังตรงนี้ยังทําไม่เป็นนะก็ดูร่างกายที่กําลังนั่งอยู่นี่เราไหว้พระเราส่วนมากก็นั่งไหวใช่ไหมเราไม่ได้นอนไหวไม่ได้แต่ก็นั่งไหวแล้วก็เห็นร่างกายมันนั่งใจเราเป็นคนดูอยู่นะค่อยๆทําความรู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นของถูกดูใจเป็นคนดูใช้วิธีนี้ก็พอได้นะแต่ถ้าใช้วิธีนี้แบบรุนแรงดึงใจขึ้นมาแดงๆอันนี้จะพลาดจะแข็งไปงั้นวิธีมาตรฐานนี่ก็คือ ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วใจไหลไปแล้ว ร, รู้อันนี้ดีที่สุดแต่บางคนทําตรงนี้ไม่ได้นะอาศัยเห็นร่างกายมันนั่งแล้วก็ค่อยๆรู้สึกไปค่อยๆเตือนตัวเองไปเออร่างกายมันนั่งนะร่างกายมันหายใจออกแล้วร่างกายหายใจเข้าใจเราเป็นคนดูอยู่เนี่ยในสุดมันจะได้ใจที่เป็นคนดูคือใจที่ตั้งมั่นขึ้นมาเหมือนกันนะแต่วิธีนี้มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงเหมือนกันบางทีไปเจตนาผลัก อารมณ์ออกไปให้จิตเด่นขึ้นมาบางทีเจตนาดึงจิตให้เด่นออกจากอารมณ์เนี่ยแล้วพอหลุดออกมาได้ก็จะห่วงแล้วหมายมันหลุดยากนะห่วงก็รักษาจะแข็งแข็งมันจะไม่เหมือนวิธีเบสิกมาตรฐานนะวิธีมาตรฐานก็คืออย่างเราหายใจไปจิตหนีไปคิดเรารู้พอ ร, รู้ทันนี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะเท่านั้นนะอย่าไปโลภไม่จะตั้งนานนะตั้งชั่วแว บ, บเดียวนะนี่สมมุติว่าบางวันนะตามมาัธว่าปัมตามลําดับนะ เริ่มต้นไหวพระสวดมนต์ก่อนถ้าใจเรายังฟุ้งซ่านอยู่นะทำสมถะด้วยการน้อมใจไปอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างมีความสุขพุทโธไปอย่างมีความสุขหายใจไปอย่างมีความสุขไม่ต้องสนใจเรื่องอื่นเลยทำใจสบายพุทโธไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวใจสงบเองทำใจสบายหายใจไปเรื่อยเดี๋ยวใจสงบเองนะอันนี้นะสวดมนต์เสร็จถ้ามาทาใจสบายแต่ถ้าใจมันสบายอยู่แล้วก็ข้ามคันนี้ไป มาคอยรู้ทันใจที่เคลื่อนไปทํากรรมฐานอย่างเดิมแหละแต่ไม่ได้ทําเพื่อให้ใจสบายทํากรรมฐานแล้วใจเคลื่อนไปแล้วรู้ใจเคลื่อนไปแล้วรู้ใจเคลื่อนไปคิดก็รู้ใจเคลื่อนไปเพ่งก็รู้เราจะได้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาแต่ถ้าวันไหนไหวพร้าเสร็จจิตก็ตั้งมั่นอยู่แล้วก็ข้ามตรงนี้ได้อีกนะเราก็นั่งทํากรรมฐานเหมือนเดิมนั่นแหลนะกรรมฐานอย่างที่ทําปกตินั่นแหลนะแต่ว่าคอยดูความเปลี่ยนแปลง น, น, นะเช่น เห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูนะนขั้นนี้ทําได้แล้วโดยที่จิตจะไม่ไปเพ่งกายเพราะจิตมันตั้งมั่นซะแล้วนะแต่ถ้าเจตนาดูกายแล้วก็พยายามแยกออกมาบางทีจิตจะแข็งไปนะแต่ถ้าทํามาตามลําดับนะใจไหลเรารู้ไหลเรารู้เนี่ยใจจะตั้งมันอย่างนี้ดีที่สุดแต่ถ้าใจตั้งมั่นแล้วนะก็เดินปัญญาการเดินปัญญานั้นเราหัดแยกรูปแยกนามเบื้องต้นของการเดินปัญญาอยู่ที่การแยกรูปแยกนาม เราเดินปัญญาเพื่ออะไรเราเดินปัญญาเพื่อให้เห็นว่าตัวเราไม่มีตัวเรามีขึ้นมาได้อย่างไรตัวเรามีขึ้นมาเพราะขันมันมารวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเรียกว่าคณะขอละขังนหนูคณะคณะคือกลุ่มก้อนเนี่ยมันทำให้เราไม่เห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีเรียกว่าคณะเนี่ยเป็นตัวที่ปิดบังอนัตตางั้นเราต้องทำลายคณะคือทาให้กลุ่มก้อนที่เป็นตัวเรานี้แตกให้ได้ การเจริญปัญญานั้นเบื้องต้นถึงเริ่มด้วยการแยกตัวเองเออกเป็นส่วนๆนะทําตัวเองที่ว่าเป็นหนึ่งเดียวนี้ให้แตกออกเป็นส่วนๆบางท่านก็แตกออกเป็นขัน5้านะขันห้าก็ประกอบด้วยรูปธรรม1นึนำะมทาทรสี่อย่างนะอันนี้เหมาะสําหรับพวกดูจิตก็จะแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเออกเป็นขันห้าพวกที่ชอบดูกายก็แยกตัวเองเออกเป็นอายตนะ6 ตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นส่วนของรูปธรรมใจเป็นนามนธรรมมันเดียวนะเนี่ยถ้ราก็ดูตัวเองถนัดดูรูปเพื่อแยกอายตนะถนัดดูนามนั้นก็แยกขันแต่ส่วนใหญ่พวกเรายุคนี้เป็นพวกช่างคิดนะพวกคิดมากเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะกับพวกคิดมากเนี่ยเกิดเป็นเรื่องการรู้ทันใจตัวเองนะกรรมฐานที่ที่ดีก็คือหัดแยกขันนะวิธีหัดแยกขันก็คือ ถสะพอใจเราสบายแล้วใจเราไม่ไหลไปไหลามาใจรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เนี่ยดูลงมาเลยร่างกายที่นั่งอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะถ้าถ้ามันเห็นเองก็มันจะรู้สึกว่ากายกับใจนี่แยกออกจากกันแนละ้วใจจะเป็นคนดูร่างกายมันนั่งอยู่เนี่ยใจมันเป็นคนดูแต่ไม่ใช่การถอดจิตออกจากร่างนะบางคนบอกแยกรูปนามก็คือถอดจิตออกไปพายข้างบนแล้วก็มองย้อนลงมาอันนั้นโอเวอร์ไปอันนั้นเป็นเรื่องของสมถละล้นะ มันแค่ความรู้สึกเท่านั้นเองเป็นแค่ความรู้สึกนะว่ากายมันอยู่นี่ใจมันเป็นคนดูอยู่ตรงนี้มันไม่ได้ว่าถอดจิตออกจากร่างมันจะเห็นว่ากายกับใจเป็นคูล่าอันกันมีช่องว่างมาคั้นนะไม่ติดกันไม่เป็นเนื้อเดียวกันเป็นคูล่าอันกันพ้ามันแยกได้อย่างนี้นะมันถึงจะเดินตัญญาได้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านี่บางทีแยกกายไปแล้วนะบางคนดูกายกับจิตนี่แยกไม่ออก พอไม่ถนัดดูกายเราก็แยกจิตกับเจตสิกเจตสิกคือธรรมะที่เกิดร่วมกับจิตได้แก่อะไรบ้างได้แก่พวกความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยของใจที่เรียกว่าเวทนาได้แก่สังขาร น, นะคือกุศลอกุศนะ ล, นะลทั้งหลายสัญญานั้นปล่อยมันทิ้งไปก่อนนะอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันดูเวทนากระดูสังขารให้มากเราจะเห็นว่าความสุขความทุกข์กับจิตนี่เป็นคนละอันกันค่อยๆดูไปนะ ใจเราตั้งมั่นขึ้นมานั่งไปนานมันปวดมันเมื่อยมันปวดเมื่อยขึ้นมาเลยใจเราเป็นคนดูอยู่อย่างนี้ก็จะเห็นว่าความปวดเมื่อยนะมันไม่ใช่จิตหลอกเป็นสิ่งที่แปลก ป, ปลอมเข้ามาในร่างกายทีหลังแต่เดิมร่างกายก็ไม่ได้เมื่อยอย่างนี้นั่งไปนานนะเห็นร่างกายมันเมื่อยเห็นความเมื่อยแทรกเข้ามาในร่างกายจิตเป็นคนดูอยู่ก็จะรู้เลยว่าความเมื่อยกับร่างกายก็เป็นโคูล่านกันร่างกายมันนั่งอยู่ก่อนนะความเมื่อยมันมาทีหลังมันไม่ใช่อันเดียวกันหรอก แล้วจิตใจเป็นคนดูอยู่ความปวดความเมื่อยกับจิตใจก็โคล่านกันนี่ก็คือการหัดแยกนั่นเองแยกขันนะแยกเวทนาออกจากกายแยกเวทนาออกจากจิตพอมันปวดมันเมื่อยมากจิตชักจะกระสับกระสายพอจิตใจเราเริ่มกระสับกระสายเราก็สังเกตลงไปอีกความเมื่อยมันอยู่ที่ร่างกายความกระสับกระสายมันอยู่ที่จิตเพราะงั้นความกระสับกระสายกับความปวดเมื่อยเนี่ยเป็นโคล่าอันกันนะใจทุรนทุลายขึ้นมาเนี้ย อยากจะเลิกแล้อยากจะลุกขึ้นไปแล้วเนี่ยใจไม่สบายมันเป็นโคนละอันกับความปวดเมื่อยนะแล้วมันไม่ใช่จิตด้วยแต่เดิมจิตนี่ไม่ได้มีความทุรนทุรายอย่างนี้นะความทุรนทุรายเนื้อแทรกเข้ามาในจิตนะเมื่อเนกมาทีหลังจิตเราเป็นคนดูอยู่เราจะรู้อะไว่าความทุรนทุรายกับจิตเนี่ยเป็นโคนละอันกันเนี่ยคือวิธีแยกขันนะบางคนจะเริ่มแยกจากกายก็ได้นั่งไปเรื่อยเห็นร่างกายกายกับจิตเป็นโคนละอันนั่งนานมันปวดมันเมื่อย เห็นว่าความปวดความเมื่อยก็เป็นโคลานกับร่างกายเป็นโคลานกับจิตปวดเมื่อยนานนานก็อย่าเพิ่งลุกไปนะนั่งทนก่อนในท่สุดก็จะเห็นว่าโอ้ใจมันชักเล่าร้อนนะก็จะเห็นว่าความเล่าร้อนเนี่ยไม่ใช่ความปวดเมื่อยไม่ใช่ร่างกายและไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปเห็นร่างกายก็คือตัวรูปประคันนะความปวดเมื่อยเรียกว่าเวทนาขันนะ ตัวความทุรนทุรายของจิตเป็นสังขารขันจิตที่เป็นคนดูเนี่ยเป็นวินญาณขันแม้เราเริ่มแยกขันไดนะ้ตัวสัญญาขันเว้นไปก่อนอย่าเพิ่งยุ่งกับมันนะไปยุ่งกับมันมากบางคนสัญญาเพี้ยนไปเลยปกติสัญญาของเราเพี้ยนอยู่แล้วนะสัญญาของปุถุชนเนี่ยเขาเรียกสัญญาวิปัสสนมันเพี้ยนอยู่แล้วในแง่ที่ว่ามันเห็นของไม่สวยไม่งามว่าสวยว้างามได้ อย่างร่างกายคนเนี่ยไม่ได้สวย ไ, ได้งามจริงนะเราเห็นว่าสวยงามได้เห็นสิ่งซึ่งไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งซึ่งเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นของไม่ใช่ตัวใช่ตนว่าเป็นตัวเป็นตนอย่างนี้แหละเรียกว่ามันวิปลาสมันเพี้ยนงั้นอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันนะมันเพี้ยนอยู่แล้วปล่อยมันไปก่อนเราก็มาดูร่างกายนะดูเวทนาความสุขทุกข์ดูสังขารดูจิตนะ หรือถ้าเราดูถึงสังขารได้บ่อยๆนะต่อไปเราจะเริ่มเห็นรวดลายของสัญญาความความจได้หมายรู้นะที่ว่ามันเพียเพ้ยนๆเนะี่ยเราจะเห็นการทำงานของมันได้อาศัยสัญญาเนี่ยก็จะปรุงสังขารก็ได้นะอาศัยเวทนาแล้วก็มาปรุงสังขารก็ได้ เช่นนั่งดีๆเนี่ยหน้าของคนคนนี้ผุดขึ้นมาเกิดความจําถึงคนคนนี้ขึ้นมาไม่ได้เจตนาเลยใจก็คิดต่อปรุงต่อไปเลยไอ้คนนี้ร้ายมากอย่างโน้นอย่างนี้นะจิตเกิดโทสะขห้นมาหรือคนนี้สวยมากฉิตเกิดราคะขึ้นมานะอาศัยสัญญานี่มันมาปรุงสังขารได้แต่เบื้องต้นยังไม่จําเป็นนะเดี๋ยวค่อยภาวนาไปสักช่วงค่อยไปเห็นเองพอเราแยกขันได้แล้วเนี่ยเราก็ดูต่อไปอีกเราจะเห็นว่าขันแต่ละขันตกอยู่ใต้ใจรัก เห็หมการทําในรูปแบบนะัก็คือการซ้อมแยกธาตุแยกขันธ์ทำอะไรบ้างเริ่มไว้พลาสวนมลอันที่สองถ้าใจฟุ้งสั้นนักทำสมถะเนี่ยการทําในรูปแบบนะอันที่สถ้าใจไม่ฟุ้งมากก็มาฝึกให้ใจตั้งมั่นจิตไหลไปแล้รู้ถ้าอันที่4ถ้าใจตั้งมั่นแล้วนะก็หัดแยกธาตุแยกขันธ์นี่แหละการทําในรูปแบบนะถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ชำนาญแล้วนะก็ถึงอันที่5 นัเราเห็นธาตุขันแต่ละอันแต่ละอันแสดงใจรักไปนั่งดูมันไปสบายๆดูธาตุขันมันแสดงใจรักร่างกายก็แสดงใจรักให้ดูร่างกายนี้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เป็นวัตถุเท่านั้นร่างกายเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาความสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายนะหรือตัวจิตทั้งหลายมีแต่เกิดแล้วก็ดับมีแต่ของบังคับไม่ได้สั่งให้สุขเกิดก็ไม่เกิดนะห้ามทุกข์มันก็ยังทุกข์สั่งให้ดีมันก็ไม่ดีห้ามชั่วมันก็ยังชั่ว นะสั่งให้จิตสงบจิตเที่วฟุ้งซ่านทําอะไรไม่ได้สักอย่างเลยนะตรงที่เห็นว่าทําอะไรไม่ได้นี่เรียก้ว่าเราเห็นอนัตตานะเนี่ยดูลงในกายดูลงในใจนะอันนี้เรียกว่าเจริญปัญญาเพราะงั้นการทําในรูปแบบนี้ทําได้หมดเลยนะเริ่มต้นไววหวครูไหวพระสวมดมนต์เสร็จแ ล, แล้วก็เลือกเอาจะทําทอะไรจนะทําทสมถะถ้าเราฟุ้งมากเราก็ทําสมถะถ้าไม่ฟุ้งมากนะใจเรายังไม่ตั้งมั่นเราก็มาฝึกให้ใจตั้งมั่นรู้ว่ามันไหลไปนั้นะใจจะตั้งมั่น นะถ้าใจมันตั้งมั่นแล้ววันนั้นนะเราก็มาแยกธาตุแยกขันธ์ถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ได้แล้วนะเราก็นั่งดูธาตุดูขันธ์แสดงใจหลักไปเช่นดูจิตมันเปลี่ยนแปลงไปดูร่างกายถูกความทุกข์บีบคั้นไปเรื่อยๆนะเนี้อการทําในรูปแบบนิ่อันแรกถือสีลอันที่สองทำในรูปแบบควรจะทําทุกวันนะอย่างน้อยวันหนึ่งสินาทีนะต่อไปมีเพิ่มรอบเช้า ตื่นนอนมารีบทําสักรอบหนึ่งนะสัก10นาทีหนาทีเท่าที่มีเวลานะกลางวันกินข้าวแล้วทำซะหน่อยไม่มีเวลานั่งก็เดินเนาะเดินก็เดินทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่เรียกว่าทําในรูปแบบนี้แหละได้ครบหมดนะนะถัดจากนั้นเจริญสติในชีวิตประจําวันนี้ช้อยที่สนะอันที่สถ้าไม่เจริญสติในชีวิตประจําวันชาตินี้จะไม่มีโอกาสบรรลุมรรคผลเลยตัวเนี้ตัวสําคัญเพราะอะไร เพราะเวลาส่วนใหญ่ของเราเนี่ยมันอยู่ในชีวิตธรรมดาอย่างนี้เวลาส่วนใหญ่เราไม่ใช่เวลานั่งไวพ้พัดสวนมลทําสมาธิเดินจงกรมเวลาส่วนใหญ่ของเราอยู่กับโลกธรรมดานี่เองเพราะนถ้าอยู่กับโลกธรรมดาเราปฏิบัติได้นะเราก็ปฏิบัติทําได้ทั้งวันเลยนะได้ทั้งวันเลยได้แทบทั้งวันนะเพราะั้นตัวนี้สําคัญการเจริญสติในชีวิตประจำวันทํำยังไงไม่ใช่ไม่ดูไม่ใช่ไม่ฟังไม่ใช่ไม่คิดนะจิตจะดูนะ มันจะดูมันจะเห็นก็ให้มันเห็นไปมันจะได้ยินก็ได้ยินไปมันจะคิดก็ให้มันคิดไปแต่เมื่อตามองเห็นรูปนะความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นที่จิตให้รู้ทันเช่นเห็นรูปอย่างนี้จิตมีความสุขเห็นรูปอย่างนี้จิตมีความทุกข์รู้ทันความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นเห็นรูปอย่างนี้นะเกิดกุศลเห็นรูปอย่างนี้เกิดอกุศลนะอย่างวันนี้เราอยากใส่บาเห็นพระเดินมาดีใจนะอีกวันหนึ่ง กลัวมากเลยช่วงนี้ใกล้ทอดกรถิญนลเห็นพระเดินถือซองมานะจิตเป็นอกุศลเลยนะคำจริงพระไม่ได้มายุ่งกับเราอย่างนี้อย่างที่ตามองเห็นรูปอย่างเดียวกันนะในเวลานี้เป็นกุศลในเวลานี้เป็นอกุศลเป็นได้ทั้งนั้นในเวลานี้เป็นสุขในเวลานี้เป็นทุกข์เมื่อตามองเห็นรูปนะเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นที่ใจให้รู้ทันเมื่อตามองเห็นรูปเกิดกุศลอกุศลขึ้นที่ใจให้รู้ทัน รู้ด้วยใจที่เป็นกลางเม JOHN ื่อรู้สุขรู้ทุกกุศล อ, อกุศลแล้วเนี่ยถ้าจิตยินดีให้รู้ทันถ้าจิตยินร้ายต่อสุขทุกุศล อ, อกุศล น, นั้นก็ให้รู้ทันะนะเ ม, มืม่อ ห, หูได้ยินเสียงจิตมีความสุขมีความทุกข์ให้รู้ทันเมื่อหูได้ยินเสียงจิตไปกุศลอกุศลให้รู้ทันนะเมื่อจิตยินดียินร้ายในสุขในทุกในกุศล อ, อกุศลให้รู้ทันรู้เข้ามาอย่างนี้นะเมื่อใจมันคิดนะ ใจมันคิดแต่จิตเกิดสุขเกิดทุกข์ก็รู้ทันจิตเกิดกุศลอกุศลก็รู้ทันนะจิตมีความยินดียินร้ายต่อสุขทุกข์กุศลอกุศลก็รู้ทันเห็นไหมลงมาจะมาถึงความยินดียินร้ายตัวนี้เวลาเราอยู่ในชีวิตประจำวันเนี้ยเราคอยรู้อย่างนี้แต่ไม่ใช่นั่งจ้องอยู่ที่จิตอย่าไปจ้องอยู่ที่จิตนะตามองเห็นอะจะเริ่มเห็นแล้วหลับตาไว้ป เ, เห็นแล้ใจจะทื่อๆไม่มีอะไรให้ดูเลย นั้นการดูจิตเนี่ยห้ามไปดักดูการดูจิตเนี่ยห้ามดักดูนะให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมดาตามธรรมชาติเมื่อกระทบแล้วนะเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมาค่อยรู้เอาไม่ใช่ไปรอรู้นะไม่ใช่ไปดักรู้นะการดูจิตไปดักรู้ไม่ได้เด็ดขาดไม่เหมือนดูกายดูกายดูลงปัจจุบันขณะได้เลยดูเดี๋ยวนี้ได้เลยแต่ดูจิตเนี่ยต้องให้ความรู้สึกไปเกิดไปก่อนแล้วรู้ว่ามันเกิด แต่ต้องเกิดแบบเกิดปุ๊บรู้ปับ๊บเกิดปุ๊บรู้ปั๊บนะถ้าเมื่อวานโกโรธวันนี้รู้อันนี้ไม่ได้ปฏิบัตินะอันนั้นใครๆก็เป็นแลโว้ยโกโรธแทบตายเลยมาเล่าให้เพื่อนฟังเมื่อวานมีเจอคนนี้โกโรธแทบตายเลยอย่างนี้ไม่ได้ปฏิบัตินะตามองเห็นรูปความโกโรธเกิดขึ้นมีสติรู้ว่าความโกโรธเกิดขึ้นไม่ไปดักเอาแล้วจะเห็นนะจ้องอยู่ที่จิตเอาแล้วตามองเห็นแนละจะดูซิมีอะไรเกิดไหมจะไม่มีอะไรเลย เพราะการดูจิตห้ามไปดักดูนะให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วค่อยรู้เอาแล้วสุดท้ายก็รู้ลงมาจนถึงความยินดียินร้ายของจิตนะต่อสิ่งที่มันไปรู้เข้าหรือต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนะนี่แหละฝึกอย่างนี้ให้มากนะเวลาที่ทำงานที่ต้องคิดทำงานที่ต้องคิดเนี่ยจเจริญสติจเจริญปัญญาไม่ได้ขณะนั้นตั้งใจทำงานไปสติสมาธิปัญญาจดจ่อที่งาน หมดเวลาทํางานปั๊บเนี่ยนะดูที่จิตเลยหรือกําลังทํางานอยู่ก็ตามเกิดขี้เกียจขึ้นมาเนี่ยขี้เกียจไม่ใช่งานละขี้เกียจเป็นกิเลสทํางานอยู่แล้วเกิดขี้เกียจเกิดเบื่อเกิดท้อแท้รู้ทันเข้าไปเลยหรือกําลังทํางานนะัประชุมอยู่คนก็ชมว่าโอ้เราคิดเก่งอะไรย่างนี้นะใจมันพองขึ้นมาใจพองนี่ไม่ใช่เรื่องงานละรู้ทันว่าใจมันพองขึ้นมาดีใจ เ่คอยรู้ทันนะดีใจเสียใจสุขทุกข์ดีชั่วอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้เรื่อยๆไปมันรู้ตามหลังการกระทบทั้งนั้นะนะถ้าทำได้สามอย่างนี้นะมรรคผลจะไม่หนีไปไหนหรอกนะถ้าเราเคยสร้างบุญบา ร, รมีมาพอสมควรแล้วเราต่อยอดอีกนิดเดียวก็ไปเลยนะทำไมต้องต่อยอดเพราะถ้ามันเต็มมาแต่ชาติก่อนมันก็ได้มาแต่ชาติก่อนแล้วนะ อันนี้เราต้องขาดอีกหน่อยหนึ่งมาต่อยอดคําว่าขาดอีกหน่อยหนึ่งเนี่ยพูดให้กําลังใจนะบางคนอาจจะขาดเยอะแต่คนที่มาที่นี่ขาดไม่เยอะแล้วละ่ะที่ดูคนทั้งโลกมีตั้งเท่าไหร่เห็นไหมคนที่ใส่ใจในธรรมะมีบุญมีกุศลจะได้ฟังธรรมะในขั้นปรมัดอย่างนี้จะมีสักกี่คนนะงั้นพวกเราก็ถือว่าไม่ใช่เริ่มจากศูนย์หรอกนะ คงเริ่มจากระดับสักห้าขึ้นไปอะไรเงี้ยนะสักเต็มสิบนะไม่ได้เต็มร้อยไปทำเอานะเดี๋ยวตอนกินข้าวนี่แหล ะ, จะเจริญสติในชีวิตประจำวันะตอนอาบน้ำตอนเข้าห้องน้ำตอนแปรงฟันตอนล้างมือกวาดบ้านถูบ้านฝึกไปเรื่อยมีนะแม่บ้านคนหนึ่งเนี่ยกเกษียณแล้วนะอายุหกสิบกว่า กวาดบ้านถูบ้านมีสติตลอดเลยนะจเจริญสติในชีวิตประจำวันแต่ว่าหมดเวลาแล้วทำในรูปแบบศีลนะเขาก็ารักษาเนื่อคนธรรมดาแม่บ้านอย่างนี้นะเขาก็เข้าใจขึ้นมานะมันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะพระก็นั่งสมาธิเดินจงกลมไม่มีอย่างอื่นทำยมมีบ้านต้องดูแลมากกวาดบ้านถูบ้านพระก็มีกุฏิเล็กๆไม่ต้องกวาดเยอะนะแต่ต้องมากวาดลานวัดอย่างนี้นะ เพื่อนไหวไปก็ทำไปทํางานไปจะกินข้าวอาบน้ําจะขับถ่ายจเจริญสติได้หมดเลยเวลาถ่ายไม่ออกความรู้สึกเป็นไงสดชื่นไหมถ่ายได้ก้อนแรกดีใจไหมเอเนี่ยแต่ละก้อนยังไม่เท่ากันเลยความรู้สึกอ่ะนะไปดูนะอ้าไปกินข้าวข้าวแต่ละคําความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันไปดูไปนี่หมดเลยครับ